รสร้างวัดสร้างพระเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้มีอัธยาศัยมากน้อยสันโดษไม่สะสมทรัพย์สมบัติถึงได้ลาบสกราระมาในทางเทศนาหรือทางอื่นใดท่านก็จะบริจาคไปในการสร้างวัดและสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆเป็นนิดและท่านมักชอบสร้างของที่ใหญ่หญโตๆกล่าวกันว่าเพื่อให้สมนามของท่านที่ชื่อโต ว่าเฉพาะสิ่งที่สร้างเป็นอนุสาณีย์วัตถุเนื่องในตัวท่านคือสร้างพระพุทธไสายยาพระนอนใหญ่ที่วัดสตือเหนือท่าเรือพระพุทธบาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์หนึ่งเป็นอนุสรณ์ว่าท่านได้เกิดที่นั่นสร้างพระโตองค์เดิมที่วัดชยโยจังหวัดอ่างทององค์หนึ่งเป็นอนุสรณ์ว่าท่านสอนนั่งได้ที่นั่นซึ่งองค์ที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดให้สร้างใหม่เป็นของหลวงดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้าและสร้างวัดอินทราวิหารที่บางกุนพรหมจังหวัดพระนครพร้อมกับสร้างพระโตยืนองค์หนึ่งเป็นอนุสรณ์ว่าท่านสอนยืนได้ที่นั่นจะพนานาว่าด้วยพระโตเหล่านั้นต่อไปโดยลำดับสำหรับวัดอินทราวิหารนั้นเดิมเป็นสานักสงฆ์เรียกกันว่า วัดบางคุณพรมนอกอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากเจ้าพระคุณสมเด็จได้จัดการสร้างขึ้นมาใหม่หมดทั้งวัดต่อมาในรัชกาลที่สพระองค์เจ้าอินทวงในกรมพระราชวังบรวร ม, มหาศักดิีพนเสพทรงปฏิสังขรและขนานนามว่าวัดอินทารามถึงรัชกาลที่6ทางการคณะสงฆ์พิจารณาเห็นว่านามพร้องกับวัดอินทารามวัดบางยี่เรือใต้ในคลองบางกอกใหญ่จังหวัดชนบุรี จึงเปลี่ยนนามว่าวัดอินทระวิหารดังนี้พระนอนใหญ่วัสตือก่อด้วยอิฐปูนยาวหนึ่งเส้นหกวาสูงแต่พื้นถึงพระรามีแปดวาฐานยาวหนึ่งเส้นสิบวากว้างสี่วาสองอกองค์พระโปรงเบื้องปิดแสดงทำเป็นช่องกว้างสองอกสูงหนึ่งอกประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง แริมคูวัดด้านใต้เจ้าอาธิการบัตรจันทโชธเจ้าอาวาสวัสตือเจ้าคณะตำบลจำปาชี้แจงว่าพระนอนวัสตือสร้างในรัชกาลที่หเมื่อปีมะเมียพุทธศักราช2413ซึ่งเวลานั้นตัวท่านอายุได้หขวบและว่าเจ้าประคุณสมเด็จให้พวกท่านในตำบลไก่จนและตำบลอื่นช่วยกันสร้างก่อเตาเผาอิฐกันเอง ที่บริเวณหน้าพระนอนและยังมีสร้างเตาปรากฏอยู่สร้างอยู่ราวสองปีจึงสาเร็จเมื่อสร้างพระเสร็จแล้วเจ้าพระกุลสมเด็จได้ช่วยพวกาธาตเหล่านั้นให้พ้นจากความเป็นทาตทุกคนถึงปีพุทธศักราช2457ซึ่งเป็นปีที่สร้างพระพุทธศสยยาได้45ปีสมเด็จพระมหาสมณาเจ้ากรมพระยาวาชชรายานนวโรร สเสด็จตรวจการมวลทนกรุงเก่าวันที่21มกราคมสเสด็จวัสตือสเสด็จเข้านมรสการพระในอุโบสถแล ะ, สะเสด็จกลับออกมาในมรสการพระพุทธไส ย, ยาแล้วมีพระธรรรัตว่าพระพุทธไสยานี้พระลักษณะได้ส่วนงามเป็นสง่าผ่าเผยแต่ชำรุดแล้วพระกรันหักข้างหนึ่งยังดีอยู่ข้างหนึ่งตามพระองค์บางแห่งปูนกระเทาะอิฐที่ก่อหักพังลงบ้างแล้ว มีผู้ปรารถนาจะสร้างวิหารขึ้นครั้งหนึ่งแต่ทำไม่สำเร็จก่อไว้ได้แต่เสาและยังมีซากเสาปรากฏอยู่จนบัดนี้ผู้สร้างหาคิดให้รอบคอบใหม่เสานั้นก่อขึ้นใกล้พระองค์บางพระพักและเห็นพระพักไม่ถนัดทำให้เสียงามและเสาที่ก่อค้างไว้นั้นกลับให้โทษหักพังลงมาทับองค์พระได้ตรัสแก่พระอธิการบัตรจันทโชธให้คิดจาดการป้องกัน เพื่อรักษาของเก่าไว้ให้เป็นสีขาวซื้อไปถึงปีจอพุทธศักราช2465อาเจ้าอธิการบัตรจันทโชธได้จัดการปฏิสังขรณ์พระพุทธสัยยาด้วยตัวท่านเองอาศัยในเรือนกำนังแดงภรรยาบ้านท่าแดงตำบลจำปาอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ช่วยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านทั้งสิน้นไม่ได้บอกบุญเรียระย เป็นแต่ชาวบ้านที่มีศรัทธาได้จัดซื้อหาอิฐปูนทรายมาช่วยท่านทำการปฏิสังขรณ์ อ, อยู่4ปีปีจึงสำเร็จสมบูรณ์สิ้นปูนขาวถึงห5้าเกวียนเฉพาะพระเศียนว่าสิ้นปูนขาวสิบเกวียนแต่สิ้นเงินเท่าไรหาทราบไม่เพราะได้เงินมาก็ทำไปไม่ได้จดไว้ต่อมาในปีหนึ่งท่านได้จัดให้มีการประชุมนมัสการและปิดทองพระพุทธสยยา ในวันขึ้น 13-15 ถึงาคำเดือน12และวันขึ้น1 3ถึง15คหาคำเดือน5และกำหนดเป็นงานเทศกาลประจำปีแต่นั้นสืบมาถึงวันเสาร์ขึ้น15คหาคำเดือน12ปีวอกพุทธศักราช 2,499 ตรงกับวันที่17พฤศจิกายนพนาท่านจอมพลปอพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีกับท่านผู้หญิงละเอียดพิบูณสงครามกับคณะเดินทางมานมัส ก, การและปิดทองพระพุทธสยยาวั ส, สตือเวลานั้นพระพุทธสยยาอยู่ในสภาพสุดโส ม, มากท่านนายกรัฐมนตรีมีจิตกรอบด้วยประสาทศรัทธาแรงกล้าได้จัดการปฏิสังขรณ์พระนอนใหญ่หมดทั้งองค์โดยบัญชาให้กรมโยทาทธาเทศบาลซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากรมโยธาธิการ อำนวยการปฏิสังขรณ์ยู่สามเดือนจึงสำเร็จนับเป็นการปฏิสังขรณ์ครั้งที่สองตั้งแต่สร้างพระมาพระโตวัชยโยวรวิหารที่เจาพระคุณสมเด็จสร้างองค์เดิมเป็นพระก่อด้วยอิดปูนสร้างในราชกาลที่สอยู่กลางแจ้งองค์พระฉากทาปูนขาวไม่ได้ปิดทองหนังสือเรื่องเสด็จพระพาฒมนทนยุทธยาในปีขาน พุทธศักราช2421พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์ความตอนหนึ่งว่าพระใหญ่ที่สมเด็จพระพุทธจาจ้์โตสร้างดูหน้าตารูปร่างไม่งามเลยและดูที่หน้าวัดปากเหมือนทั้งครัวโตไม่ผิดตือปูนขาวไม่ได้ปิดทองทำนองท่านจะไม่คิดปิดทองจึงได้เจาะท่อน้าไว้ที่พระพักแต่โดยนี้มีผู้ไปก่อวิหารขึ้นค้างอยู่ ใครจะทำต่อไปไม่ทราบต่อมาเจ้าพระยาวรัตนปดินรอดกัยาณมิตรที่สมุหานายกมีศรัทธาสร้างวัดชยโยใหม่พร้อมทั้งอุโบสถและวิหารพระโตได้ฟังเล่ากันว่าวัดชยโยเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้สร้างในที่ดินของตาอุทิศให้มารดากับตามารดาชื่อเกตตาชื่อชัยจึงตั้งนามว่าวัดเกศชยโย แต่มักเรียกกันตามสะดวกปากว่าวัดไชยโยการสร้างค้างอยู่ช้านานแต่ในหนังสือตำนานพระอารามหลวงว่าเป็นวัดโบราณแต่เมื่อกระทุ้งรากวิหารพระพุทธรูปใหญ่ที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตสร้างทนกระเทือนไม่ได้พังลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าระชาการที่หจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสร้างพระโตใหม่เป็นของหลวง ตามแบบอย่างพระบาสมเด็จพระนางกล่าวเจ้าอยู่หัวทรงรับสร้างพระโตวัดกัลยาณมิตรช่วเจ้าพระญานิกรบดินโตต้นสกุลกัลยาณมิตรผู้เป็นบิดาของเจ้าพระญารัตนบดินมาตะกรและทรงรับวัดไชยโยเป็นพระอารามหลวงแต่นั้นมาตรงนี้จะกล่าววินิจฉัยเรื่องพระโตแทรกลงไว้สักหน่อยอันพระพุทธรูปสร้างขนาดใหญ่ ยังเรียกกันว่าพระโตนั้นจะสร้างเป็นพระนั่งคัดสมาธิอย่างพระเจ้าพนันเชิงที่พระนครศรีอยุธยาก็ดีเป็นพระนั่งเวยพระบาทอย่างพระป่าเลลัยที่เมืองสุพรรณบุรีก็ดีหรือเป็นพระนอนอย่างพระนอนจักรสีที่เมืองสิงห์บุรีก็ดีไม่ว่าสร้างในประเทศไหนแม้จนในประเทศญี่ปุ่นแต่โบราณเขาย่อมสร้างไว้กลางแจ้งอย่างเดียวกันกับพระเจดีย์หาธรรมวิหารบางองค์พระไม่ การสร้างวิหารกลุ่มพระโตเป็นความคิดเกิดขึ้นในชั้นหลังข้อนี้จะพึงคิดเห็นได้เช่นพระเจ้าพนันเชิญก็ดีหรือพระนอนใหญ่ที่ไหลเขามหาสวรรค์เมืองเพชรบุรีก็ดีเมื่อยังไม่มีวิหารคงเห็นองค์พระพุทธรูปงานเด่นแต่ไกลที่ทำวิหารบางองค์พาให้เสียงามไปแม้พระโตซึ่งคิดประกอบกับแบบวิหารที่สร้างพร้อมกันเช่นพระโตวัดกลยาณมิตร และพระนอนวัดพระเชตุพนในกรุงเทพเมื่อเข้าไปในวิหารก็ไม่เห็นองค์พระเหมาะตาเพราะเอาวัตถุที่ช่างโบราณเขาคิดสำหรับทำอย่างหนึ่งมาทำเป็นอย่างอื่นจึงพาให้เสียงามพระโตที่สร้างไว้กลางแจ้งเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเมืองไทยและเมืองพมา่าแต่เมืองพม่า ด, ดูเหมือนจะเพิ่งคิดสร้างวิหารเช่นพระนอนที่เมืองหงสาวสดีและพระนั่งที่เมืองแรบางทีจะสร้างที่อื่นอีก สังเกตที่พม่าเอาเสาเหล็กโปร่องอย่างฝรั่งมาทำเสาวิหารแม้บางองค์พระน้อยกว่าเสาอีกถือปูนดูก็ยังขัดตาอยู่นั่นเองแต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับรักษาองค์พระจะติว่าการทำวิหารครอบพระโตไม่ดีทีเดียวก็ว่าไม่ได้